บอกอันนี้สูงอันนี้สูงรักษาศีลอันนี้สูงงดเว้นบาปว่ากันง่ายๆศีลก็งดเว้นบาปศีลคือปกติง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆมีศีลก็ผิดปกติเนอะโดยนี้ผิดปกติกันเยอะเลย เดี๋ยวแม่ก้มส่จ่อน้ก็เคียรอยู่นก่นั่นแต่ผิดปกติทั้งนั้นเลยให้เข้าใจสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั้นให้เข้าใจสีไม่เป็นภาษาบาลีล้วก็คุ้นปากแล้วถอดเอาความหมายออกมาเป็นกริยาแบบปกติเข้าใจนะถ้าใครสามารถทำให้ปกติได้ ก็ได้รับอันนี้สูงคือเย็นนี่แต่แปลแปลผมต้องบอกว่าเย็น <c oughs> จริงไหมนั่นนะั่นถ้างดเว้นถ้างดเว้นไม่ได้ท่านในถ้าอิตปกติได้ระความร้อนเนา ะ, ะนั่นแหละอืมสัดเลยสัดเลยเนาะนี่นั่นนะถ้าใคสามารถน่นนะให้รักษาอยู่ตลอดจนถึงวันตายอืม จะปิดอบายจะพูดได้เลยคือท่านก็บอกไว้แล้วนะเพระได้ไม่เป็นมนุษย์มนุษย์สมบัตินี่สุขติสุขติที่มีความสุขน้อยที่สุดเนื้อของเราเนี่ยนี่น่ยสุขติน้อยที่สุดคือคือความคือความสุขน้อยที่สุดถ้าอยากรู้ก็กำหนดดูแต่ชีวิตย้ายชีวิตชีวิตของเราเน่ย ชุกกระทุกอะไรเยอะกว่ากันไม่รู้เลยสุกน้อยที่สุดจริงไหมจริงเนาะเออสุขน้อยที่สุดเออถ้ า, า, ารักษาถ้าถ้ารักษาศีลไม่ได้สุขจะเยอะให้ทานอีกจะเยอะจะเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นเทพ อืมสุขเยอะขึ้นหน่อยอืมสวรรค์หกชั้นก็เป็นระดับระดับถ้าใครถ้าใครอยางอยากรู้ก็ไปดูเอาอืมพวกเทพ อ, อ, อ, อ, องค์นั้นอืมเขาอยู่ยังไงอืมอย่างนี้ยเห็นไหมถ้าอยากได้สุขกว่านั้นอีกก็ให้ภาวนาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาถ้าได้สมาธิ ก็ได้สุกยอขึ้นไปอีกนุ่นสันพรมนุ่นเป็นมหากุศลเลยเนี่ยกุศลมันเป็นมหาเลยเนี่ยโอ้ยยิ่งใหญ่เลยสิเนี่ยไม่ต้องไปหาเอาที่ไหนเข้าใจนะถ้าอยากได้สุกที่บริสุทธิ์หมดจดจเนี่ยนต้องเจริญปัญญาขาตเยรนปุ๊บง่ายง่ายแล้วกูไดศาสนาไม่ต้องเขียเอิน ไม่ต้องลงทุนใช่ไหมราคากี่เลล่นละจบเลยบริสุทธิ์หมดจดสุขแท้อืเข้าใจนะ<อ>ยิมานิปัญจสิขาปานิสิเลนะสุกติงยันติสิเลนะโพกสัมปัน สิเลระนิบุติงยันติตสมาสีลังวิสทะเยาทุถาไม่สาธุาธจะได้อะไรไหม เ, เห็นไหมมันเป็นภาษาพูดดีละดีละดีละทีลทรานี่ละถูกต้องแล้ว บ่ม่ายยกมาสอย่างอย่างนรโทนว่าเป็นวิธีที่เหม็น สาธุสาธุสาธุสาธุออืสำหรับอันเดียวนี้ก็พอไว้ก่อ น, อนจะได้ไปทำหน้าที่ เ, เราพูดเทศาสนาแท้ๆไม่มีพอไม่มีพอดค้ออยใจนะพูดบ่อยๆแหละเนี่ยพูดบ่อยๆอืม พุทธศาสนานเป็นหลักกรรมคือเจตนายุคเดิเดมพุทธศาสนาไม่มีการให้พนไม่มีการให้ผรผเพราะว่าเป็นหลักกรรมคือเจตนาตั้งไว้ที่เจตนาแล้วมันเป็นแล้วสําเร็จแล้วกุศลกุศลเกิดแล้ว คุณที่เจตนาะเพราะอิดทับผลอืมที่จะเกิดมีได้ไม่มีใครหยิบยื่นให้กันให้ทำเอาเองทั้งบุญทั้งบาปก็เป็นอย่างนั้นโอ้ใจเนาะเออเหนื่อยนั่นล่ละ ถ้ามันได้แบบถ้าถ้ามันเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากได้บาปก็อย่าทำคือเจรนากายกรรมสามมจีกรรมสี่มนุษยกรรมสามอาค์เป็นกรรมบุญสิกอืมเนี่ยแหละเห่นนี่แหละเราไปวัดกรรมฐานหรือครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านไม่ค่อยให้พรกันเดี๋ยวเราจะไปเสียใจ พอเราได้แล้วอืมันนี้ก็จั้งตั้งเจตนาไว้แล้วได้แล้วได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้มันขึ้นที่จิตมันขึ้นที่อีกทีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือขัดเจตนาอ่อนั่นเห็นไหมนั่นนี่มันเป็นอย่างนั้นโนอนมันตั้งขึ้นครูไว้มันขึ้นครูไว้กี่วันแล้ว นมันเป็นขึ้นเป็นขึ้นเป็นขึ้นไปขึ้นน น, น, นั่นเห็นไหมเหนั้นผลทั้งหลายไปขอใครไม่ได้ไม่มีใครจยบยื่นให้ใครต้องทำเอาเองเหมือนทานข้าวนี่ไม่มีใครเอาคำข้าวไปยัดใส่ปากให้ใคร มีทำเอเองเที่ยวเองอร่อยไม่อร่อยก็เรื่องของตัวเองไม่ขอคนอื่นไม่ได้เข้าใจนะเออ่ยนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่นั้นอย่าเพอที่เนี้ยอย่าประมาทที่เนี่ยรีบทําเอาเข้าใจนะที่นี่นะเออ่หลักศีลก็ให้งดเว้นบาปเอาเองหลักสมาธิก็ฝึกสติให้สงบเอาเอง กิเลสใกิเลสมันไม่มีใครไปป่าไห่ใครถูกไหม <S <S อืมเนี่ยเห็นไหมหลักวัญญาอืมก็ให้เจริญขึ้นมาให้เกิดวัญญาฆ่กญญากิเลสเอาเองไม่มีพระเจ้าเขาไจะฆ่ายจริงไหมนี่แหละนี่เป็นลหลักกรรมอืมหลักพุทธศาสนาเป็นหลักกรรมเหมือนกันหมด ที่เนี้ยแล้ที่ศาสนาไม่เกี่ยวทีเนี้ยโดยเจ้หนุมานกรมแล้วที่นทเ น, นี้ยคือเจตนานันเห็นไหมศาดีและานีศาสนาไหมเมื่อได้เกี่ยวกับศาสานานะเนี่ยเกี่ยวกับกรรมมันก็ทำกรรมเหมือนกันใช่ไหมล่ะนั่นนี่ไหมอือีกพวกนึง่งอือไม่ถืออะที่ศาสนาในไม่ถืออะไรเลยมีใช่ไหม แต่ก็มีเจตนาเป็นตัวกรรมอยู่แล้วเบ็ดเสร็จอืหลีกไม่ได้อืทำดีก็ผลก็จะดีออกมาทำไ ม, ไม่ดีผลก็ม่ดีจะออกมาก็เห็นชัดๆเนาะเดี๋ยวจะตายกันอื้อฉ่าใช่ไหมล้มเหลวกันอื้อฉ้าใช่ไหมเพราะกรรมการกระทำอืม ฉันแล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้หลีแคไม่ไม่ไม่ได้หลีแค่ใครเลยทำแล้วต้องรับผลเองไม่อยากได้ก็ต้องเอายิงไหมไม่อยากได้ก็ต้องเอาไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากเจ็บอยากปวดไม่อยากทุกข์ก็ต้องยอมทุกข์เอาเอง แชทเนาะเออนั่นเห็นไหมนี่นี่ผมบอกไว้เลยเอือทุกหูมาตาคนไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงใครเลยใครจะเป็นจะไปอ้างพ ร, ระอินทร์พระพมพระเจ้าตนไหนมาอ้างไม่ได้เลยอือ้างมาก็ไม่เห็นหน้าพระอินทร์พระพระมหรอก <laughs> ไม่เห็นพระเจ้าตนไหนเลยมันช่วยเนาะใช่ไหม ลเลยกตัวเองเอาหมดรับเอาเองพอเข้าใจนะที่นี่เนาะพอรู้อย่างนี้แล้วอย่าไปใส่ใจมัน เ, เรื่องพรเข้าใจนะที่นี่นะมันเป็นลัทธิที่เขาถือว่ามีผู้ให้ออมีอำนาจอะไรละรสารพัดมีผู้ให เขาเขาถ <ador ite S 1> ือพระเจ้าตนไหนหลายหลากหลายสาพัดเห็นไหมเขาขออยู่นใช่ไหมล่ะมันมาจากตรงนั้นเรื่องพรนี่นะเข้าใจสิเนี่ยพรพรบอบอลบอลบอลบอลภาษามาเป็นภาษาบาลีว่าอลวราคำว่าพรคํานั้นมันเป็นภาษาสันสติทําห้เป็นภาษาบาลีว่าวราเมื่อประเสริฐยากประเสริฐ ให้ประกอบกรรมเอาให้ถูกต้องตามหลักความจริงหลากความจริงมันมีที่ไหนกันเนมนุษย์สาโลกไม่มีใครรู้ความจริงพระพเจ้านี่ตัดความจริงเอาไว้ให้ทำอย่างนี้ทำนี้นะให้โงดเว้นอย่างนี้นี้นะเนี่ยทีนี้มันมีปัญหาเยอ่ะ โลพาโทสาโมหะมันไม่ยอมมันไม่ยอมใช่ไหมมันฝ่ายค้านมีอยู่เนเหงนเขาค้านกันอยู่ในสบายไหมยังไม่จบยังไม่เรียบร้อยอยู่เพราะไอเจ้าหัวใจเนี่ยเออโลพาโทสาวโมหเนี่ย <Now. S 1> น, นี่แน่นั่นนงดเบญบาไปปราบความรูปเอาไว้สยบความรูปเอาไว้ สมาธิตั้งมั่นในคุณงามความดีในพระทัย น, นะให้ปล่อยหยุความเครียดความกโกรธเอาไว้ปัญญาก็ไปปราบอวิชาโมโหหันไปคู่กับคู่กันเลยเนาะไม่ก็มีอย่างนั้นไงเนื้อเนีนห้เจริญศีนสมาธิปัญญาภาษาคำว่าเจริญ ประกอบอวบรวมบ่มเพราะทําให้เกิดทําให้มีอย่าให้เสื่อมอืมต้องไปคู่กันทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทานอันนี้ไม่ได้จัดเขาอืมทานนี้ไม่ได้จัดเขา้าไม่ได้จัดเขา้าเข า, เขาหมวดอืมใจสิกขา เพราะว่าทานนี้ปกติก็ทานอยู่แล้วผัวกับเมียลูกเจ้าญาติพี่น้องก็แบ่งปันกันอยู่แล้วมีแต่ไหนแต่อะไรแต่ดีเลยแา่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าก็แบ่งกันอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถ้ายิ่งมีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้คุณศีลคุณธรรมแล้วนั่นะเขาจะให้ถูกต้องเลย ถ้ามีกิเลสเนี่ยให้ผิดยังยังให้ผิดใช่ไหมให้เกินไปให้ของที่ไม่ควรใช่ไหมเนยเนีนีนนนนน่คนคนที่คนที่กูไม่ชอบกูก็ไม่ให้กูให้เฉพาะคนชอบนั่นเอาแล้วมันนี้เยียงเลยเนี่ย <laughs> กิเลสเนีมันเว้นอย่างนั้นเข้าใจนะนกูก็ให้เฉพาะพวกของกู พวกใครพวกมันเห็นไหมเห็นไหมสาา น, นั่นบรรไว้อยู่ในสภาเนีนะพวกใครพวกมันเอ้อยนี่มันเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจสินะ่ะเหตุนั้นทั้งว่าให้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้อบรมศีลสมาธิปัญญาให้ประกอบให้ประกอบ ถีนสมาธิปัญญาไม่ประกอบให้ถูกต้องอย่าให้ผิดนะเออน่นเห็นไหมถ้าอยากให้ถ้าอยากให้ถูกต้องไม่อยากให้ผิดก็สุกิปุริต้องเจริญตามรอยของนักปราชญ์สุฟังอ่านศึกษานี่นี่เห็นไหมกำลังฟังอยู่นะ สูฟังอ่านทกษาีขฟังแล้วไปคิดไต่ตอมฟังแล้วเข้าไปในหูแล้วก็ปล่อยวางเลยทิ้งเลยไม่ใส่ใจไม่ได้เนี่ยสจุจิจิจิเัวเนี่กินแต่คิดอ่านต้องมาคิดอีก สูตตามมัจาปัญญากินตามมัจาปัญญามันไม่เข้าหมดนะน่นอีกนะอืปุจฉารู้ได้อย่างไงอืขัดข้องอืสงสัยอันใดให้ถามปุจฉาถามสนทนาทำตามการโน่นอยู่ในมงคลลสูตรนั่น ฟังทำตามการนู่นอยู่ในมงคลละสูตรนู่นบอกไว้หมดเลยเอ้าใช่หไหมเรียกขิตประกอบดีต้องที่ท่วน4ขั้นตอนเมื่ใจนั่งปล่อยแต่กิเลสมันแต่กิเลสมันกูรู้แล้วหรือไม่นั่นกูไม่ชอบ มันโตด้านเลยไหวยค้านมันมิอยู่นี่ให้เราเห็นนี่ยให้เราบังไว้ให้ดีเห็นเ่ยเนี่ยพระเจ้าทสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญาปราบไอ้เจ้าพวกตโต้านเนี่ยปราบให้มันหมดเลยให้มันลับภาพเข้าใจในที่นี้นะเออถ้าปราบไม่ได้เสร็จเลยอืมเสร็จเลยอืมเสร็จอะไรเราเสร็จมันเออมันคุมหมดเลยสิเนี่ย ไม่เป็นอิสระอเนี่ยมันเนไม่มีสาร ะ, ะที่ดีเลยสินะอ่าต้องไปต้องไปขึ้นต้องไปขึ้นกับใบกับโลภะโทสะโมหะเป็นธาตุของมันจริงไหมเองครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลักคาสอนกูเจ้าถึงมาให้มาปฏิญาณจนถึงพระรันไตไม่ไม่ไม่ขอนะไม่ขออย่างนั้นอย่างนี้นะนี่นี่นี่ท้าพูดเราไปขอแล้วสินะีะ นี่ผิดทั้งเทจะไหมอย่าขอนะใบไม้พ า, าหนะเนี่ยขอไม่ได้นะนี่เนไหเห็นนั่นมันมั น, ม, นมันหลักพุทศาสนาไม่ใช่หลักขอมันเป็นหลักกรรมนี่นมันจะหมดข้าพเจ้าขอถึงมูเจ้าพระธรรมพระงเป็นที่ ล, ลึกนั่นให้ ล, ลึกถึงคุณไม่ให้ขอ ออเออเดินผิดทั้งเทผิดมาเยอะเลยนะใช่ไหมให้ละลึกอืมเพราะเดี๋ยวนี้มันละลึกตั้งแต่โลภะโทสะโมหะมันคุมอยู่ใช่ไหมเรียบร้บเนาะเออนั่นเห็นไหมให้ละลึกถึงคุณบางอยา่างระธรรมาสุขแล้วก็ให้ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาไปปราบมัน ชัดเนอะชัดไห ม, มทีนี้อย่พักกันขอนะขอไม่ได้เลยมีแต่คนขอแล้วคนให้ไม่มีเออ ม, มันแปลกนะเนอะชอบขอขอดาบกำได้นใหม่เห็นไหมอืมอะไรอยู่นั่นสารพัดเห็นไหมอืมอยู่ในของของที่ขอเต็มไปหมดเลยอือไม่รู้สารในตัวสารไหนเต็มไปหมดแล้วเกิดขึ้นมาใหม่อีกใช่ไหมเออเต็มไม่หมดเลย แต่ก่อนก็เห อ, เหอกับอะไรไอตัวเล็กๆนะไอตัวเล็กๆเนะนี่ยไอร้านลูกบุรุษเนะี่อแล้วพัดเออไปอย่างนั้นล้วก็หายยเนี่ยมันอพระพุทธเจ้วธรรมาสงฆ์ก็หายเลยเนะี่ยเพราะจิตเนะี่ยหึงบกึงเหลหนึ่งี่ยจิตเนะี่ยหึงบวกึ่งหลหนึ่ง เอกกอกลักติไ่ภาษาไม่ใช่ไดอะลติกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบกสองเป็นสี่ไม่ใช่กีติเนี่ยเกิดปุ๊บดต่ปั๊บหนึ่งเดียวถ้าต้อาการใหม่ก็เกิดใหม่หนึ่งเดียวเข้าใจนาทีนี่นะพูดนี่บ่เข้าใจนาทีนี้รนะเคยได้ยินไหม เคยได้ย <é someone> <notes> <duda> ินมาแบบเนี่ยหึ่วกหนึ่งเหลือหนึ่งเกิดปุ๊บแับออกก่อนหลังก็นิจังทุกขังอาจารย์เกิดปุ๊บแต่ปั๊บนี่นี่พูดปุ๊บก็ดับปั๊บเล้วกู้ยังไงพูดก็ดับยิ่งเดี๋เข้โหหนูรู้แล้วก็ดับปั๊บเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาปุปุุ๊ปุเร็วมากเลยตามไม่ทันจริงไหม จนตามไม่ทันจนหลงหลงก็ทั้งโลกทั้งวัตจักรนั่นหลงสมุทตใช่ไหมล่ะหลงเสียงอืหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงโอตาพลมหลงธรรมะลมความคิดอดโทหกเรื่องเนี่ยยุ่งใหญ่เลยสใช่ไหอว่าทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนั่นแหะ เห็นนแหละไม่อยู่ที่เอินกูนี่หลงกูเดียวใช่ไหมไม่มีใครบอกให้กูหลง <c oughs> หังไงกูคิดเองกูรู้เองเห็นเองอมันเองเองออกมาเลยวชิไนะเป็นธรรมชาติกัน ừ, เห็นว่าเก่งนะเกิดพูดดับปับ๊บโหมยดับสลับซับซ้อนโอ้ยวันหนึ่งเท่าไหร่ เ่ยเดี๋ยวบอกให้ฟังวันหนึ่งคือหนึ่งหกพันสี่ร้อยล้านปกติอยู่สบายสบายสบายคธรราิธรรมดาธรรมดาหกพันสี่ร้อยล้านเนี่ยนน่ยเอเนี่ ย, น ย, น ย, น ย, นยหนึ่งบวกหนึ่งเหลือหนึ่งเนี่ยเข้าใจถ้าผิดปกติยุคนี้สมัยนี้ถ้ามีของมาเขี่ยอยู่เนี่ยเอ้ยหมื่นล้าน เออหมื่นล้านเลยจะเพิ่มเข้ามาอีกสารพัด ท, ทั้งต า, าหูจมูกลิ้นกายพร้อมขึ้นมาแล้วโอ้โหแสนล้านถ้าระดับปวดหัวเนี่ยล้านล้านถ้าระดับฆ่าตัวตายโอ้มันมันรู้จะ ก, กี่ล้านเทนะ่อ่าเข้าใจนะโน่นนโนนโนนโนนีว่าให้ฟังกดดับ เนี im im ่ยเ่ายพูดเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเนี่ยคอมพิวเตอร์มันไม่รู้อีนูีเนี่ยมันอยู่ดีเนี่ยก็เจ้าผู้นสั่งให้เขียให้กินถูกไหมเออคอมพิวเตอร์นั้งหมดมันก็เจ้าผู้นี้เป็นผู้เป็นผู้ประชมานี่เนี่ยผู้รู้ผู้เดียวผู้ดีโอ้โหเนี่ยนี่ไหนเข้าใจทีนะ เหตุนั้นถึงให้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้เจริญอริยมรรคมีองค์แปดครบเลยในนีอืมถ้าเป็นครฤหัสท์หรือเป็นชีวิตนะเมาเอาทั้งชีวิตในนต้องให้ครบแปดเป็นมรรคสามังคีอืมการทําหากินการดูการกินนับข้อหมดเลยสมาจิโมมีอะไรบ้างสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิคือมาตุสใช่ไหมเห็นชอบนะ อย่าเห็นผิดนะนุ่นสอนไวม้มีมีคนได้ไหมใช่คนทั้งโลกมีคนไม่ได้เลยอืมจบพิหน้ามือเป็นหลังอยู่ในตัวเมื่อได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกัศาสนาศนสาสนานมาว่าเอาใหม่อื ม, มภาษาว่าสะพนานสะพานมันเกิดขึ้นอยู่ที่จิตเนี่ยมันมันไม่ได้ว่าศาสนานไหนเลย ใช่ไหมโลภะโทสะโมหะมันไม่ได้มาสเหนือหน้าเนี่ยโลภะเกิดขึ้นมาเราเป็นเราเป็นไโลภะนามันมันบอกเลยจริงไหมออมันไม่ซอบใจมันเราเป็นโทสะนะเราเป็นขุนพลใหญ่แลนะมันก็ไม่บอกอีกเนาะใช่ไหมเราเป็นวิชาโมหานะอืมอืมเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมดเลยโหันตะมันก็ไม่เจอไม่สืเหนือหน้ามันมา สรุปลงแล้วอันนี้จ้งทุกขังอนัตตาชัดเนาะนี่เนี่ยพูดปุ๊บดับปับ๊บเลยนี่แหละอันนี้จังทุกขังอนัตามีอยู่ในตัวมันแล้วอ<ม><น>ืปกติถ้าไม่เจริญปัญญามันจะไม่รู้เหตุนั้นจึงวาให้เจริญศีลสมาธิปัญญามันค่อยจะรู้ปกติมันไม่รู้ใช่ไหม นไม่รู้เลยของมันมีอยู่อันนี้จังทุกขังกันตาก็มีอยู่เหมือนโลภะโทสบโมหะก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ไม่มีปัญญานี่ใ น, นหลักการสอนขงพะเจ้าถึงเจริญให้เจริญสีนสมาธิปัญญาขึ้นมาให้เป็นสมังคีฉันจะสรุปใ้เป็นสมังคีวิธีชีวิตของสัตว์โลกมันประกอบได้หลายเรื่องก็อยู่ใน อริยมรรคกุบะอืมมีมีนั่งอยู่นี่ต้องหาจูหาคินทั้งนั้นเนาะดูสิสร้างขึ้นมาเนี่โอ้โหเรื่องใหญ่ขนานดไหนใช่ไหมละ่ะอืมเรื่องกรรมตั้นนั้นเลยมสมาชิวเป็นสัมมาเทไม่ยละอืมอ่านนี่ไหมหรือเป็นมิจฉา ชอบหรือไม่ชอบยังมีอีกใช่ไหมลุมงเคยกับขึ้นที่จิตผู้เดียวมวันนี่เขาไม่ได้รับรู้เต็มไปหมดเลยหนะลวงปู่ทั้งหลายนี่อยู่จิตนี่ของใครของมัน กุจีที่ภูสังให้กราบให้สักการะให้ว่าเป็นกุจีใครจะคำสามกุฏิกำสี่มนุษย์คำสามออกมาเป็นคำมโสถสิหหัวใจใหญ่ๆไม่มีใครหีกได้เลยทีนี้นุ่นถึงภูมาโลกจำลงไปสูตรนุ่นอเวจีนุ่นคนมันป่านนั้นแล้ว มไม่มีใครหลีกได้ไม่ได้เกี่ยวกับาานนศาสนาอะไรที่ไศาสนามาว่าอ้างกันเป็นภาษาพูดเืมอง้เกิดขึ้นที่จิตนี่มันบอกอะไรบ้างเลยมไม่บอกอะไรเลยเนาะไหลออกมาเล่นๆๆๆๆชอบไม่ชอบใช่ไหมยินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจใช่ไหม นั่นขึ้นมาตรงนี้เลยนะอเอิ็นั้นให้ภาวนาอืมให้ฝึกสติอื ม, ใ ห, อมให้รักษาใจให้อบรมบ่มเพาะภาวนาคือฝึกสติไม่ต้องมีการมีเวลาอยู่ที่ไหนก็ให้ทำอืมทานข้าวก็ให้ทำดูอีนี่ีโบทไหน ก็ให้มีสติจจุบััันปัจจุบันปัจจุบันปจัจจุบันมันมี่เฉพาะปัจจุบันเพราะว่าหลักกนิจังทุกครั้งตาไม่เกิดแล้วดับปุ๊บดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บบบหนกแล้วจริ ง, ร ง, รงมเนี่ยมันเกิดใหม่ล่ไปตามไม่ทันเลยเร็วมากถ้าขาดสตีถ้าไม่ฝึกสติก็ห ล, ล, ลงเลยนีหลงเลยเน้อ จริงไหมยอมรับไหมหลงเลยเนะาะขาดสติเดี๋ยวหนยให้ผูกสติขึ้นมาพึกอยู่ตลอดเมื่อฝึกได้แล้วมันจะตั้งมัน่นเป็นสมาธิเมื่อสมาธิมันตั้งมั่นแล้วไม่กระเพือมไม่ใ ส, ส่แสปัญญาความรอบรู้รู้จริงรู้ไม่จริง อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เปนนี้มันจะแยกแยะเอาได้ง่ายๆแค่นั่นแหละวจิจิตนี่หมดเราพูดด้วยศาสนาวิจิตกับเจตสิกกินบุญแล้วบาดรูปทั้งหลายไม่ใช่เคยจะสร้างขึ้นมาอะไรสารพัดเอามาแขวนคอไวก้ก็ไม่มีผลดูจิติตหมดบุญนี่จิตเป็นผู้สร้างขึ้นมา ชาขึ้นมาเพื่ออะไรเไมื่อล้กราบลึกไหมจิตเป็นผู้สั่งให้กราบใช่ไห ม, ไมจิตเป็นผู้สั่งให้แล้วลึกสั่งในหะ้ทำหมดดูนี่ดูนี่นเห็นไหมยังไปหมดพุทธ ค, คจากจิตหมดเลย ม, มีปัญหานี้เนี่ยทำจริงไหม รู้จริงไหมทีเนะี่ยนี่ปัญหาเลยอือเห็นนั้นอ่ะถ้าทิ้งจากกุ้ยจเจ้าวจัรมะสูงทิ้งจากสินสิสมาธิปัญญาแล้วจะไม่ได้ผลเลยทีน่ะเห็นนั่นนี่ยเน้นวันเนเอามาแขนคอไว้เอามาแขนไว้ก็ไม่ได้ผลเพราะอยู่จิตหมด พระออ น, นียเจ้าทั้งหลายผู้เจริญสีนสมาธิปรรัญญารู้แล้วรู้เรื่องของกิตแล้วเขาจะไม่ถือเขาจะไม่ถือภายนอกเขาจะไม่ถือภายนอกถือเฉพาะภายในเขาจะไม่มีของขังเลยเขาจะไม่แขวนคอเลยเข้าใจนะนั่นแต่โสดาไปเสกีธานั้นถึงถึงธรรมแล้วอืมเขาจะไม่ถือภายนอก เุณชาเขากราบไม่เขากราบไวเขาเล่อลึกถึงคุณจิตหมดเลเนี่ยเห็นไหมพวกที่ยังไม่ถึงน่สารพัดเขาว่าอะไรก็เอาหมดเขาว่านาก็ไปถือนาเอาเอานางมาอะไรเขาว่าอะเต็มไปหมดเลยโอทโฮเต็มแผ่นดินไทยใ่ไมไม่รู้สาระสาระอะไรมันจนจกราบไม่ไม่ไหวแล้วลึกไม่ไหวเลยใช่ไล่ะในนี้ช้าพูดเสียศูนย์ใช่เสียศูนย์แล้วช่ไ อืมไม่รู้จะจะมีจุดจะไปยืนอยู่จุดไหนใช่ไหยจริงไหมถ้าจะเลือกให้นั่งาให้ภาวนานโอ้โหมันไม่อยู่เลยอ่ะมันไม่อยู่เลยเนาะใช่ไหมเสียสูญอ่ะนันนั่นน่านั่นั่นอันนี้ว่าให้ฟังนี่นี่นั่นนั่ว่าใส่พสอนลูกสอนหลานเนี่ยให้สอนเสพข้าวเนี่ยมันขังดี ถ้าทานข้าวแล้วมันหนักท้องที่นะ่ะมันดึงหนังตาลงโอ้ยไม่อยากฟังแล้วสโลกมันไม่ใช่สโลกมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมออทานข้าวแล้วเรนค่อยมานั่งภาวนาโอ้มันผินดอ่ะมันมันเสียขั้นตอนขั้นตอนไม่เป็นอย่างนั้นต้อเข้าใจนะยิ่งอย่างนี้ไม่ล่ะ ตานข้าวแล้วง่วงนอนเลยโอ้โตโเอ้ยหมดอะไรตาอยากแล้วไม่จับฟังไดุ้ใถีนะมิทธะง่วงเหงาหาวนอนนิวรนมันขึ้นจริงไหมออนั่น่ะตนั้ถึงว่าก่อนนะเพราะว่านาคือผึกสติให้ผึกสติก่อน ยังไม่เป็นสมาธิเนี่ยจะมาพูดเรงสมาธิเนี่ยก่อนจะเป็นสมาธินะ่ะให้ฝึกสติดูยี่หรี่บนไหนก็ให้ฝึกรับรถก็ให้ฝึกสติทานข้าวให้ฝึกสติอาบน้ําไปถ่ายปลาอึหมดให้มีสติเขียนหนังสือก็ให้มีสติทํางานใครมีหน้าที่การงานเนะี่ยน่ะให้มีสติทําอยู่ปัจปัจจุบันปัจจุบันปัจปจุบัน ควบสติซะก่อนเข้าใจนะอย่าไปถือนาอย่างอื่นอย่าไปอยากเป็นอย่าไปอยากสงบส่วนมากไปอยากสงบผมมันเัผิดคูแล้วนะ่ยผิดครูแล้วจนะ้านะทำอยัางงี้ก็ไม่สงบเจ้าไหมเมื่อทำมาหลายหะนเะนี่น้องไม่ไม่สงบเลยเนะ้อก <c oughs> ิเลส อ, อ่ะอ่าการ ม, มาจันทานิวอนขึ้นมาก่อนเลย อยากเป็นอยากสงบอยากไม่เก็บใช่ไหมอยากเป็นนี่โตอยากขึ้นมาหมดใช่ไหมหมดเลยหลวงเอยจะไปจะไปปราบนิบอนจะไปปราบโจรโจรเลยมาปราบซะก่อนเสร็จเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยภาวนาเนี่ย ให้ปราบโจรเสียก่อนคือนิวรน์ห้านิวรณนห้าใครก็พอจะรู้เนาะการมชันธาขึ้นมาขอดนเลยไม่มีอะไรอยากเป็นนัขนนนนนนนน่ขึ้นมาแล้วเนาะสารพัดเดี๋ยวก็ไตั้งนาฬิกาไว้เดี๋ยวก็ปติดเชียนไะว้นั่นใช่ไหมขึ้นมาแล้วเนี่ระวังทิฏฐิตันหาเข้า แอบอิงอาศัยจำไว้ดีๆนะทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินุ่นอยู่ในองค์มรรคเป็นข้อแรกเลยขึ้นมาก่อนเห็นว่าไปตั้งนาฬิกาเอาไว้ตั้งเทียนเอาไว้สารพัดแล้วแต่จะอัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิสารพัดเทวบุตรเทวดา เชิญมาหมดเลยทั้งพระพุทธเจ้าว่าทำประสงค์ใช่ไหมมาช่วยใช่ไหมอยากได้อยากเป็น <c oughs> จริงเว้ยล่ะผิดทั้งเทเลยนีย่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยมิจารณิสติเห็นว่าทำอย่างไรอย่างไรอย่างไรน อ, อืมตั้นหาความอยากที่ไหนนั่นนั่นมีโบนใช่ไหมละ่ะอืม ที่ที่อันนี้มันเป็นอยู่ที่ไหนเนี่ยนวิจิตรฉาน่นาเรื่องลีสงสัยนั่นก็เลยไปคว้าหามาหามาหามาช่วยใช่ไหมล่ะเออ น, นี้บอนทั้งนั้นอ่ะนี่ใครเข้าใจทีเนี่ยเรื่องข้อปฏิบัติดาพุทธมันเขวเขยเยอะมันจะว่าให้ฟังเออ ทำยังไงถึงมันจะถูกทีไหนะให้บูชาพระรัตนตรัยที่ปฏิบัตินี่เพื่อบูชาอะไรเห็นไหมธรรมะของเจ้าทั้งหมดนั้เป็นธรรมปะปฏิปฏิคือปฏิบัติบูชาไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปไปอัญเชิญใครมาม า, ม า, ม, ามาช่วยเลยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่ได้เชิญพระรัตนตรัยมาช่วยอีกด้วย เข้าใจนะที่นี่นะมันเป็นหลักกรรมเรานี่แหละเราเลืก อ, อกเอาเองเรานี่แหละประกอบเอาเองหมดเข้าใจนะนั่นใช่ไหมให้เรื่องนที่นี้ย่นสั้นลงมาให้จับหลักกรรมไมให้ดีๆไม่มีใครไม่ช่วยหลักกรรมคือเจตนาทำให้ถู ก, ถกถูกตามหลักคําสอนของมูเจ้าเราเป็นผู้ทํา เนีแต่ไม่ใช่ว่าของมูลนั้มาช่วยเราลุงเอ้ยเรานี่เป็นผู้ช่วยเราเองเรากรบพันเรากาบเองเราเลือดเองใช่ไหมยากนะมีจับหลักตัวนี้ไว้ให้ดีๆเห็นแล้วประมวลลงมาเรียบรอเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นพ่อพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมบังชัดเนาะมเดียวพูดเล่นเลยทีนี้ เหลือใจเจ้า่าณาภาษาอีสานโอ้เหลือตายแ้ า, า, า, าอาณาบ่เหน็นเห็นบ่เห็นบ่บ่เห็นในบ่บ่เห็นนําทําด่างใช่ไหมนี่นี่ภาษาอีสานอือครูให้ทําเองตั้งจิตตั้งใจมีสติมือสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าสูงขึ้นไปก็มีสติปัญญา ปัญญาญมันจะกำกับผู้กำกับผู้บริหารผู้จัดการปัญญาญเข้าใจนะอ่า<อ>เรีเลี้ยงไว้สูง<อ>เีสมาธิปัญญา<อ>เลี้ยงไว้สูง<อ>ถ้าเลีย้ยงมากถ้ายกปัญญาสูงก่อนอืมเป็นแนวหน้าเป็น ห, อห้องห้องสมาธิอย่าเห็นผิดนะถ้าเห็นผิดหมดเลยเนะี่ยถ้าเห็นผิดว่างไงอืม ก็ไปยกกิเลสขึ้นมาเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นหัวหน้าเลยเห็นไหมใช่ไหมเวลาภาวนาก็ไปติดเทียนเอาไว้ไปตั้งนิรกาเอาไว้ไปขอนู่นขอนี่ขอให้มาช่วยอีกสารพัดใช่ไห ม, มระวังทิฏฐิจันหาเข้าเองจันหาคือความอยากทิฏฐิคือความเห็นผิดทิฏฐินี่มันจะวางแผน เพื่อจะเอาผลประโยชน์ข้อมูลที่ได้มาให้ตันหาตันหาคือความอยากนึกก็เป็นนิวรนไะงวะคุณพ้นใหญ่ใช่ไหมความมชันทะนิวรนนั่นถ้าความอยากตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้เลยเห็นเหเข้าใจที่ไหม ละกันหาเสียได้เป็นสุขในโลกเงินใช่หไหมถ้ามีตัณหาแล้วไม่ได้เลยมันดิน้นรนมันเป็นธรรมชาติดิ้นรนกระเสือกกระสนนี่ยนั้นท่านถึงจัดเข้ามาเป็นหมดีหบนกามฉันทะพยาบาท พออยากได้แล้วไม่ได้พยาบาทความความโกรธมันจะขึ้นมาจริงไห ม, ไหมเอาอะไรนี่เนี่ยดินลุนลใช่ใบใหญ่แล้วเนาะไม่แน่ถีนามิทะเอาเลยเนี่ยปวดหูเคร่อเพิ่มขึ้นมาเลยสารพัดแล้วนินใช่ไหมนิ่หวนเนา ะ, นะถ้าใครถ้าใครไม่ภาวานาก็จะรู้ดีเนาะความจริงมันมีอยู่ทุกเกิดขึ้นอยู่ตลอด ไม่ใช่มาอยู่ในภาวนาอย่างเดียวออมันเกิดอยู่ตลอดแต่เราไม่รู้ถ้าจะรู้ก็ให้นั่งภาวนาให้เอาเวลานั้นให้ปฏิบัติมันจะขึ้นมาเลยเต็มไปหมดเลยมีจีกิจฉาลังเลสงสัยเออเอาเสียเลียวเต็มใช่ไหมอืมมันทำไม่ถูกข้อไหนหนาะนึกไว้ไดนะ้ใชนึกอ้างไว้แล้วนะ ะ, ะเออพระคุณเจ้าพระธรรมสูงนะ ไม่ช่วยเราหรือเอาแล้วนี่ยอำนาจจริงจกักษิตไม่ช่วยเราหรือเอาอีกแหลสทีนเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นครูขึ้นครูทีแรกเรไปขอไปก่อนเนาะใช่ไหมเนียนี่ยเนี่ยนี่ยนนท่านจะบอกอะไรละวังทิฏฐิคือความเห็นผิดเรือ่องนันงโน่นนงนี้นั่นนี่ไหมล่ะอืมตัณหาคือความอยากเห็นไหมเวลาปฏิบัติไ ป, น, ไปนั่งไปนะั่งไปเนี่ยมันก็ทวงเลยเนะี่ย นาีิกาถึงวเวลาแล้วรีบ่ัมคนหนึนะจริงไห ม, ไมหนักปิเทียนนะว้เออเดียวกันมองดูเทียนเออไฟนี่มันไม่ช้าเดี๋ยวเกินมาอาแเลวที่เนี้ยนู่นอ่ะไม่มีทางเลยมีแซดแล้วเนี่ยนี่ว่าว่าหัวใจมันอยู่ใกล้ใกล้เนี้ยญาติปากคลอกเลยเนี่ยเมือนักปฏิบัติทั้งหลายนะเข้าใจนะ ไม่ช่วยตัวเองมันมีอยู่ในนี้หมดแล้ ว, วเออนั่น น, น่เห็นไหมล่ะระวังทิฏฐิตันหาเข้าแอบอิงจับหลักนี้ไหมดีๆนะระวังทิฏฐิคือความเห็นผิดตันหาเออบอิงเข้ามามันก็อยากมันก็อยากสงมบมันก็อยากได้บุญมันก็อยากไปนิพพานเออเจ๊ะอืมมันก็จะปรา แม่มันก็จะปราบไอ้ไอ้ไอ้นิโบนไม่รู้ว่านิโบนมันเอบเข้ามาแล้วมันมาปราบก่อนแล้วก็เสร็จเลยยกท้องขา่าเลยสู้ไม่ได้นะจริงไหมนหน้าเก็อย่างไงเนาะนีะ่จะไม่ให้ดีนะอืก็เลยก็เลยจะบอกก่อนเสพระเข้าเนี่ยมันมันมันขังดีออืคนโบราณนนี่ยเขาเขาสอนลูกสอนหลานก็สอนใส่พระเข้เนี่ย มันครั้งดีเข้าใจไหมเออถ้าทานอิ่มแล้วเขาจะมีใครฟังไม่มีใครฟังเนาะเออไม่มีใครฟังเลยอยากนอนแล้ยทีเนี้ยเข้าใจไหมล่ะหนีเลยเออนั่นๆๆๆๆนๆให้จําไมาให้ดีนะที่นี่นะนี่เน้นเวลาก่อนเวลาก่อนก่อนทานก่อนใช้เนี่ยผู้เจ้าสอนในพิจารณาก่อนปฏิสังขารอยู่นิโสปินดาปะตังปฏิสังขารอยู่นิโส กีวรังผ้าพนแพรือนี่ปฏิสัมพันธ์อยู่นิโซเสนาสด็งที่อยู่ที่อาศัยของไซนั่นเห็นไหมปฏิสัมพันธ์อยู่นิโซกีฬานะปะจะัจจัยโอ้เดี๋ยวนี้มันเยอะเลยไหว่ายาทานังทีๆอ ำ, อำนวยบําบัดโรคใช่ไหมให้พิจารณาก่อนฮันโลนี่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันเข้าใจะนะหลากหลายเดย น, นี้ใช่ไหมต้องพิจารณา อืมโน่นโนมันเป็นภาวนาเป็นศีลด้วยอือืมันโลดนั่นนี่นั่นทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพลมทั้งธรรมะลมอืมมันเป็นอายนะเป็นบอกเกิดอืมมันเป็นศีลละสังวร น, นั่นเองไหมถ้าไม่สังวรไม่ส้ำรวมผิดสินเพราะบาปมันจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะศีลอย่งดเว้นบาปใช่ไหมน่น่ะบาปจะเกิดขึ้นเพราะรูกเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะถดพรมเพราะธรรมลที่เกิดขึ้นกับจิตให้สังวรให้ละมละันระวังถ้าไม่สังวร น, นี้ปุ๊บโอ้ยอย่ามาพูดเลยศีลมันเสียแล้ว มันไปทำบาปแล้วมดเว้นบาปไม่ได้แล้วจะมาภาวานาจะมาตั้งสติตั้งไม่ได้ใส่แล้วเส้นดวดร้อนแล้วใช่ไหมละ่ะนั่นพเพร า, มาระมันเป็นสิน่งยนืนตัวอายะชนะคือบอกเกิดให้สวโให้ระมัระวังมันเป็นสิ่งปัจจยนิ่สิสิเนี่ยารามาบมกโิภพให้พิจารณาเสก่อน มันเป็นศีลถ้าบริโภคด้วยตัณหาถ้าตัณหามเกิดขึ้นมานี่เรากินด้วยบริโภคด้วยตัณหาอะไรนี่เหนไหมได้โทษได้บาปผิดศีลแล้นเพราะศีลนังงดเว้นบาปไม่งดเว้นบาปเหรอนานเห็นไหมหนูเห็นไหมมันต่อเนื่องกันไปหมดเลยแล้วโดยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาต้องเจริญควบคู่กันไป ให้เป็นเสบังคีโอ้สมแท้นะสมแท้เขาหลัหัดผู้ครองบ้านของเรือนผู้เป็นอุบาสกเป็นเจ้าหาอยู่หากินทํางานทําการต้องอย่าให้ผิดศีลอย่าทุจริตอย่าให้กิเลสตัณหาเข้ามาอย่าให้มีอคติเข้ามาถ้าอคติเข้ามามีกิเลสตัณหาเข้ามาปุ๊บศีลก็รักษาไว้ไม่ได้ทําบาปแล้วสินะ ไม่หดเว้นบาปแล้วนั่นใช่ไหมล่ะเอองานอันนั้นก็เป็นว่าทุติจิตผิดจริยธรรมด้วนสั้นลงมาหลักกรรมทั้งหมดแยกเป็นสองกุศลกรรมอับกุศลกรรมใจรกรรมสามบาจีกรรมสี่มโนกรรม3ขึ้นที่จิตก่อนอถ้าแรงขึ้นมาปุ๊บมันจะออกปาก เอาปากไปใช้งานนะสินะ อ, อใช่ไหมทะาแรงขึ้นมาอีกกายก็ออกเลยสินะทั้งสามทวาร น, นะสิเนะืถ้าสามทวารแล้วไม่จะพูดเลยสิหนะ่อยเอาไมา่อยู่เลยสินะนี่ฉันเป็นหลักกรรมขึ้นมาแล้วคูดสั่งงานออกมาเจตสิกที่เส้หมองคือโลภะโทสาโมหะสั่งงานออกมา ก็เป็นอกุศลบาปคบป่าปาปาปาปาปปมันปาาก่อนเลยมันป่าเลยบาปนลยคือปาาเข้าใจนะสิ่นี่นะปาป่แผดเผาทำให้เราร้อนเออนั่เข้าใจเทนะนืมเจตสิกที่เศ้ามองคุณนมัวขึ้นไปกิดเห็นในเจริญสีสมาธิปัญญาให้เจตสิกนี่คงใส เออเข้าใจสินะมันถึงมันถึงได้ยในนี้นีหมดแล้วเห็นไหมนี่นะลวงเออยท่านท่านมันในหลักพุทธศาสนาในคำสอนมือเจ้านี่หลักมันอจู่นะให้จเจริญถ้าจเจริญในหมวดทำข้อไหนในสติปัฏฐานข้อใดใน อ, อนุสติข้อใดก็ให้จเจริญด้วย ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเพราะมันเกิดด so ับปุบปุบหนึ่บุญหนึ่งเนนบุญหนึ่งเข้าใจเนาะหนึ่งบุญหนึ่งเล่นหนงเนาะเนีนี่ยเมันจะเกิดซ้ำซๆๆๆโอ้โทษทีอ คลื่นของจิตเนี่ยมันถี่ความถี่สูงอืสติปัญญาถ้าเราไม่เจริญเป็นปกติอยู่เนี่ยจะตามไม่ทันเข้าใจนะเหตุนั้นั้งต้องให้เจริญสติปัญญาขึ้นมาเจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อให้เกิดความถี่สูงพอเข้าใจนะควรถี่เนาะ อ่าเนี่ยนนี่เห็นไหมผู้ที่เดสัตย์โดนอะไรๆของเราเนี่ยก็รู้แล้วความถิ่ mm. ใช่ไหมให้จิตเนี่ยมันเกิดความถี่สูงให้เป็นปัญญาให้เป็นสติมหาสติความถี่สูงเนี่ยเนี่เนี่ยจิตเนี่ยความถี่สูงขึ้นมาแล้ววันเนี้ยมันจะมารู admitted, Stones, ้ทันโ์ลูพระโถสัมมะเข้าใจนะทีเนี้ยมันจะมาแยกแยกได้หมดเลย โอนี้เป็นนี้นี่เป็นนี้นี่เหตุนั้นที่มาวิปัสนาปัญญาถึงว่ามาแยกรูปแยกนามได้เข้าใจนะเแยกได้หมดเลยโอหอันน painting, ano, mm. after after いいี้เป็นนี้นี่เป็นนี้นี่นี่เป็นนี้่นี่เป็นนี้อันนี้ชวดดีเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นองนี้มันจะแยกได้หมดเลยเข้าใจนะเนี่ยวิปัสนาญาณเนี่ยหลักพุทธศาสนานถึงให้ฝึกอันนี้ขึ้นมามีท่าดูท่าเดียวมีท่าดูท่าเดียวเป็นผู้ทํางานวิเศษสุด ถ้าไม่ฝึกอะรู้อยู่เนาะโน่นจะเป็นัตยานินสานโตนรกหมองไหมเห็นไหมพักไม่ฝึกเดี๋ยวนี้อืมสนันท์พันมันไวทั่วโลกเลยโลกจนจะอยู่ไม่ได้ก็เพราะเจ้านี้เพราะความรล่เนี่ยไปทำลายระบบมิเวทอุตรนิยามเทียร์หายหมดกันอยู่ไม่ได้เลยก็หนักหนานะ นั่นนี่ไปไอ้คนก็เบียดเบียนคนสิน่ะใช่ไหอไปเบียดเบียนธรรมชาติอีกใช่ไหมยิ่งร้อนยิ่งอยู่ยากนะยิะย่งอดยิงยากกามีคุณเออนี่ยเนี่ยกำลังเป็นอยู่สินะเออใช่ไหมเออแก้ไม่ได้จะไปแกทท้ที่ระบบ ท, ท, ที่กระแสลูกที่เป็นอยู่นี่น่ะแก้ไม่ได้เลยอืมเพราะว่า มีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาหมดเลยเพราะมาแก้ไม่ถูกจุดเห็นไหมนุ่นเห็นไหมบอกว่าในอริยสัจสี่ทุกขึ้นมาก่อนเลยทุกสมุ ท, ทัยนีโร้นมากอืมยังไงายเกิดทุกข์กับสมุทยัยสมุทัยก็โลภะโทสะโมห ก, กิเลสตัณหาที่เนะี่ยก็เลยพักกันมาบำรุงกิเลสตัณหาที่เนะี่ยบำรุงเหตุออมันเป็นกระแสโลกที่เขาทํากันอยู่เนี่ย เมื่อบรรลุเหตุบรรลุผราโลภะโทสะโมหะสินั่นใช่ไหมมันก็เป็นธรรมชาติของเขาเแล้วเสียน่ะมันก็ทากรรมเสียน่ะเป็นมัฏจักรเสียไปเลยทากรรมเลทุก์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะสมุทัยตัณหาเมื่อบรรุแบรลุกิเลสตัณหาเสียน่ะตัณหามันก็หน้าที่มันก็ทำทำกรรมใช่ไหมลนะเน่ เนี่ยคุกถึงเกิดเดือดร้อนขึ้นไปหมดเลยหมดทั้งโลกอย่นี้บาหรวมเลยนะ่เรตึงตะกูกับกูนี่ก็พอแรงแล้วนะยังไหมนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยอย่าง้เข้าใจใช่ไหมเนี่ยเพราะทายเกิดนี่เพราะไปบำรุงกิเลสตัณหาสมุทัยอ่หมดทั้งโลกเนี่ย ก็เท่าอีคูณทุกก็เกิดขึ้นใช่ไหเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรอันนี้จังทุกขังนาตาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะยกนิยามไม่ฟังในนี่นิยามห้าใครรู้นิยามห้ายกมือขึ้นเคยได้ยินไหมนิยามขุนหมูแล้วเนาะมันเป็นภาษาบาลีนี่นะมะวาดเน่ยขันยน นิยามบื้อความแน่นอนเปลออกมาแล้วเความจริงที่แน่นอนไม่มีผู้แต่งไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีเจ้าของไม่แน่นอนอย่างนี้พูดปุ๊บออกไปกระดับปรับเลยเนี่ยดูใกล้ๆเนะี่ยอันนี้แจงดูของ น, อ น, อนันตาอัดเนาะเนียนิยาแบบ้ความแน่นอน ทรมนิยามขึ้นมาก่อนอันนี้ยังทุกขังนะจ๊าอือเพราะใครสวดได้ใครเคยสวดธรรมนิยามไหมเห็นไหมเวลาพระท่านมวนภาพแล้วคนคนที่ที่ที่ที่ที่ตายไปเนี่ยเขาจะสวดธรรมนิยามไงสามเณสังขานิจติ ยาดาปัญญายาปสดิโอ้ ย, ยว่าเป็นภาษาทามองสารพันยาไพโลนี่นีะตีลักนาน่ยนะคู่กันธรรมนิยามอปากเเตมนุษย์เชสูเจตนาปัลเฮมินูจิตนิยามนี่มันเป็นนิยามของมันห้ามไม่ได้ห้ามมันไม่มันคิดไม่ได้เลยมันเป็นนิยามเขา คำมนียามความจงใจถ้ามีโลภะโทสะโมหะเข้ามาประกอบอดโธ่ไม่ต้องพูดเลยสีเนะนี้ยนี่เข้าใจนะทีเนี้ยเหตุนั้นจึงให้เจริญสีสมาธิปัญญาให้กำกับสีสมาธิปัญญาอย่าให้เกิดอกุศล น, นี่หลักกระบวนธรรมเป็นอย่างนั้นเข้าใจทีเนะีอืมจิตเนี่ยมันเป็นนิยามออืเจตนาของจิตถ้ามีโลภะโทสะโมหะ เข้ามาประกอบก็เป็นอกุศลอยู่ใกล้ๆเนะี่ยถ้ามีรักสิทธรรมดีมาเข้าประกอบปุ๊บมันก็เป็นกุศลในะเห็นนะให้เจริญนั่นเองไหมอูตุกนิยามพีชะต้นไม้พืชพันธัญญาหารเนี่นเห็นไหมธรรมะของกจ้าเป็นยังไง่างนี้อยู่ไหวไหมโลกเนี่ยไม่ไหวแล้วเนาะร้อนเนาะ นั่นนันใช่ไหมนี่นี่นี่นี่อุตูนิยามพีชนิยามเสียดุลหมดเกิดจากกิตนิยามกับกรรมนิยามมนุษย์ทั้งนั้นเลยโลภะโทสะโมหะทั้งหลายในที่ทสลายอยู่เนี่ยเข้าใจนะที่นี่นะนี่ว่าให้ฟังนิยามทั้งหาจได้ไหมลงเอวยธรรมนิยามครอบหมดที่เนี่ยอันนี้จังทุขังนาตาไม่เรียกหาใครสนะไม่มีอะไรเสี่ยงแท้นแน่นอนเลยสินะใช่ไล่ะ ธรรมณิยามก็อันนีจังทุกขังนันตาเนี่ยครอบไปแล้วจำได้เนาะจำได้เนาะนี่มันครอบไปหมดอ่ะอืมเอาเอาแค่นี้แหละสิเนะ่จบแล้วไปให้พรก่อนไอไอไอนี่พรใหญ่เลยเนาะพรใหญ่เลย โอ้โหส้มตำก็ขายเครื่องหมนะูแล้วเนาะช่มตาอาหารพวกช่มตาพวกอเนี่ยอาหารสดๆนี่พวกล่าพวกผ่าเนี่ยมันมันขายเครื่องขายเครื่องอืขายเครื่องตัววัสาก็ขายมีอะไรจะไปทางานแล้วนั่นเห็นไหม oh. คำไม่ได้ยามใครมีกำไ ม, ม่เวนก็ไปใช้คำใช้เวิโด